เอาคำสอนของพุทธเจ้ามาพูดสู่การฟังเจ้าวาการฟังทมเรียนตามพ่อก่อตามครูเราเป็นสิทธิ์เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูในชีวิตของเรานี่ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับว่ากับใจ พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดที่ปฏิบัติต่อกายต่อใจการใช้ชีวิตทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดเราต้องปฏิบัติตามตามสอนที่พระเจ้าสอนปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมากับใจเราดี ที่ไม่ผิดแม้มันจะมีความผิดก็ให้มันถูกได้ทุกอย่างเช่นพทธเจ้าสอนว่าการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอินรีสงอนสมลูอินรีตาหูจมูกเลี้ยกายใจในเวลาเห็นลูกฟังียงดมกินลิ้มลดถูกต้องทธปะ อารมที่เกิดขึ้นกับใจอย่ายินดียินไลยไปกับการสมผัสจาขจยายโยกปาลดความเพียนจะเห็นเจอนอนมากนักโกชนีมัตตัญยุต่ารู้จักประมาณในการกินอาหารไม่มากเกินยัยไม่น้อยเกินไป มีแต่ปฏิมีแต่สิ่งที่ปฏิบั ต, ติโตรอนช่วยชีวิตเนืวิธีใช่ชีวิตที่เหมือนถูกต้องรวมโยอดคือกรรมฐานกินก็กรรมฐานตาเห็นรูปว่าเป็นกรรมฐานหูได้ยินเสียงก็เป็นกรรมฐานจะบบกด้วยกินลื่นไหลรดไายสัมผัสจิตใจเชิดึกเป็นกรรมฐานดั้งนั้น เรามื่เตรียมพร้อมเพื่อใช้กรรมฐานกับชีวิตของเราทั้งหมดตือฝึกไปหัดหน่อยให้จำนี้จานานถ้าฝึกไปจะต้องทำได้ทั้งหมดเจ็บก็มีกรรมฐานแก่ก็มีกรรมฐานตายก็มีกรรมฐาน ต, ตั้งต้นจะกรรมฐานเราไม่มีผิดสักอย่าง เ็บก็มาเนเจ็บเจ็บก็มันเป็นเจ็บทุกข์ก็มันเป็นทุกข์ตายก็มาเป็นตายถ้ามีกรรมฐานปฏิทินตังให้ได้ท่าให้ได้หลักการขอใช่ชีวิตของเราถ้าไปมีกรรมฐานปฏิทินตังผิดทั้งหมดคิดผิดพูดผิดทําผิดการงานผิดตามใจไว้ผิด ทั้งหมดเลยไปทุกเป็นภพเป็นชาติต่างยัจำเป็นต้องฝึกหัดเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตทุนเราให้มันสาเร็จประโยชน์ให้มันจบเมื่อมาจ บ, ม, จบมันแตกฉานเมื่อมาแตกฉา น, นเขาไปประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่อคนอื่นต่อโลกต่อประเทศชาติบ้านเมืองเกิดความสงบรลมเย็น จำเป็นมากในการฝึกกรรมฐานเนี่ยมีสติปัญใากา่เป็นประจำนนมีสติปัญญาเมือก็สมรวมอิสีในอิสิสับูรณปฏิบัติเป็นผิดต่อกายทั้งหมดตตอใจทั้งหมดรวมยอดลงมาได้แล้วจับหลังได้แล้ว เหมือนขับรถจับพวงมาลัยได้แล้วจะไปตามทางแน่นอนมันมีทางไปถ้ามีสติเห็นก่าอยู่ปร ะ, ประจำสิ้นที่เกิดขึ้นกับกายก็สักต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักต่ว่าเห็นเกีย่ยวข้องสิ้นนี้เกิดขึ้นถูกต้องถ้ามีสติ ถ้ามาลู่จึกตัวแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีลู่จึกตัวผิดก็ลู่จึกตัวชอบก็กลายเป็ูกอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ลู่จึกตัวซะมันก็คือสมรวมอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเมือ่อสมรวมอินทีแบบนี้มีสติดูอยู่ที่นี่ในชนสมรวมอินทีย์ก็มีไตศิขาเกิดขึ้นมาเป็นสินเกิดขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นมา สามมามันคือการเดินทางก็ต้องผ่านอะไรไปถ้าผ่านไปสิ่งที่มันอยู่ทั้งหน้ามันก็หลุดพ้นไปเรื่อยๆจนการให้ความสะดวกศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญา ม, มาช่วย เป็นเครื่องมือกำจัดกิเลสธรรมทั้งหลายนี่อยู่กับตัวเราเนี่ถ้าเราทำถูกมีสิ่งที่ใช่เยอะแยะถ้าเราทำผิดก็มีสิ่งที่ลงโทษเยอะแยะเราทำนี้ก็เห็นจงโจงจะพ บ, บนนะ เวลารมีสติก็เห็นความหลงหลายรูปแบบที่มันเกิดกับกายกับใจเราเรามีสติก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวด้ทุกรูปแบบที่มันเกิดกับกายกับใจเราแต่เรื่องที่ดีชอบด้วยธรรมทปฏิบัติตามธรรมเมื่อปฏิบัติตามธรรมอาธรรมก็ห้นห่างไป ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมแล้วก็ไก่ความหลงธรทมก็นนำพาไปทรรมนำไปสู่สุคติหรือทมนำไปสู่นรกทนละทิศละทางไปผู้ที่มีจสติปิดอบายภูมิได้เพราะมันเห็น เห็นบากทางที่มันไปสู่อบายเห็นปากทางที่ไปสู่สุคติสมผัสได้ด้วยตนเองไม่ใช่มาเรียนรู้ขคบคิดใรมันสมองในการสมผัดต่ากายไปสัมผัเาาสผเอาใจไปสัมผัสมันมีสิ่งที่สัมผัสกับกายมีสิ่งที่สมผัสกับปิติใจ เปิดเพื่อนถ้าเราไม่รู้สักตัวไม่มีสติการเพื่อนของอกุศลที่กับปลากับใจนี่ยบางทีเราก็นึกว่าตัวว่าตนจะให้เกิดเจ็บเจ็บตายเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเอเปล่าตายถูกเป็นโทษตดยยังมีวิธีปฏิบัติ ที่มันถูกต้องทั้งหมดถือว่าทั้งหมดเลยทีเดียวเหมือนพุทธิยาว่าเราได้ทำกับพวกเธอทั้งหลายจบแล้วทำหมดแล้วเพื่อพวกเธอทั้งหลายแต่พวกเธอทั้งหลายถ้าแต่มีการกระทำลงไปไม่ต้องไป ผมคิดหน่ยเหตุนะผลอะไเราเป็นผู้บอกผู้สอนแต่การทำเป็นหน้าที่ของพวกถือทั้งหลายได้ทำไว้หมดแล้วเราไม่น่าจะจนต่อความชั่วความทุกข์ที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่จนจริงๆ มันหลงก็มาจนตัวผมหลงมันทุกก็มาจนโตัวผมทุกเหมันเกิดเจ็เจ็บตายก็มาจนโตการเกิเจ็เจ็บตายเพื่อการนี่โดยตรงชีวิของเราที่เป็นรูปเป็นนามมันก็ไปแบบนั้นต่อจะใช้รูปเพี้ยนนามเพื่อพัฒนาให้มันข้ามล่วงต่อยอดได้ไหม ในยอดใหม่จากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นยอดที่ดีงามขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนทุกเป็นลูกอะไรที่เกิดกับมาเกิไกจเปลี่ยนมาเป็นลูกทั้งหมดในความลูกมาอยู่ทุกพื้นที่มีตาร้อยตาพันตาเต็มตัวตาเต็มตัวตูร้รอบบเต็มตัวทั้งหมด ก็ปลอดภัยไม่มีภัยจึงจาเป็นต้องปฏิบัติและปฏิบัติก็ทำได้แตนก่อเป็นกรรมขึ้นมาเอาเมือวางไว้บนเขารู้จึกตัวพลิกตะแคงมือขึ้นรู้จึกตัวยกมือขึ้นรู้จึกตัวเลื่อนไหวที่กายเอากายเป็นวัตถุอุปกรณ์ผิดความรู้จึกตัวแบบ ไม่มีอะไรหลีกเตียงได้ในเคยใช่กายให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อกายสัมผัสกับความรู้มันก็จะเห็นความหลงที่มันแตกต่างกันไปก็จะได้รู้สึกตัวเซะาหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องหดัดควารู้สึกตัวก็อยู่ที่กายเต็มไปหมดเป็นกรรมฐานเต็มไปหมด ใจกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดเลยยดนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคูยเยอะขึ้นไหวจะล้างหน้าแปลงฟันจะเจ็ดจะฉันจะอาบน้ำมันก็เป็นการงานชอบไปทั้งหมดแต่งว่าดทางกายก็มีแต่การแต่งานที่เป็นการงานชอบได้ประโยชน์จากกายไม่มีโทษที่เกิดจากกายพ้นโทษพ้นภัย สิ่งในที่เกิดเครื่องใจก็เป็นสิ่งที่ชอบไปหมดได้ประโยชน์จากจิตใจประโยชน์จากกากเจอจากจิตใจก็ไปไกลไปสู่มรรคสุผลกลายเป็นมหาภูตา ร, รูปเป็นรูปไหวัาสเาหมือนพื่วงแพรที่ขี่ข้ามฟากได้ใช้รูปให้สำเร็จประโยชน์ รุ่มข้อยิ่งตื่นตัวดึกซึกตัวหนุ่มอย่ารอให้เท่าให้เจอหน้าสน่ห์ตัวหนุ่มหนุ่มสาวๆที่ปฏิบัติธรรมแต่เมก่อนเราก็เคยปฏิบัติที่เป็นหนุ่มหนุ่มปอยู่กับผู้เท่าผู้เฉ๋ยในผู้เท่าโดยการ3คน เวลจึงนข้าด้วยกันโุยเท่ามากแตันละเสริญหล่าดีนาะลูกลูกมาปฏิบัติตั้งแตห่หนุ่มๆนี่ดี น, ะนาะมันค่อจะมีเห็นมาปฏิบัติตั้งแตห่หนุ่มๆนี่ดีนาะเห็นสุดเเท่าสรเสริญแต่พ่อนี่ก็เจียเท่าแล้ว จึงมารู้จักเรื่องนี้แต่ว่าก็กระตือรือร้ออนชวนลูกชวนหลานมาปฏิบัติหลานก็วาบวว ท, ที่นี่เนน่้อยก็มีเป็นพระก็มีแล้วก็เหมือนคนเกรุ่นนั่นที่สะกเสริฐก็โนหนุ่มไม่ชี้นมนุ่มสสาวหยาชอนุ่ม น, นักศึกษานักศึกษาแท์ก็มีที่นี่นี่ก็น่าสนส์แต่ใช่เชื่อที่มันถูกต้องไปยาวนานลังกระพ่วงแพรที่ใช่เพื่อข้าบไปยาวนานจะได้ใช่แพร่ที่เป็นประโยชน์กับชกจริงทุกอย่างคือมหาเปิดรูปที่รูปเป็นรูปไว้สาเนี่ย ทำได้ทุกอย่างที่เป็นความดีเนาอจึงไม่มีอะไรที่จะมาบอกกันในเรื่องนี้ตอนนัะที่เราเป็นเพื่อนเกิด เ, เจ่บเจ็บต่ยด้วยกันเจ็บต่อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านที่เหมือนผิดท่านไม่แจ้ที่เหมือนเป็นทุกข์ท่านไม่แจ้ ก็เลยไม่ได้ประโยชน์เมื่อได้ฉศตัวเองแบบนี้ให้มาแก้มาเปลี่ยนเวลามันหลงมีไหมถ้าหลงใครรู้สึกตัวเวลามันทุกข์มีไหมถ้ามันทุกข์ก็รู้สึกตัวเวลามันโกรธมีไหมถ้ามันโกรธก็รู้สึกตัวับอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้จะได้ประโยชน์ ความทุกกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกเรื่องใดเป็นทางไปสู่มรรคส่ผลทั้งหมดถ้าเราศึกษาถ้าเราไมา่ศึกษาก็ลงโทษเราก็เฉพาะหน้าเราอยู่นี่นันมี ธรรมชาติการของรูปของนามของกายของใจธรรมชาติการของรูปของนามของกายของใจนี่มันเป็นระเบียบมันเป็นแบบฉบับของเขาแต่เราได้บทเรียนจากเขาได้เป็นสูตรอำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือน ยาที่อยู่กับต้นไม้ ต, ต้นไม้เป็นยาแต่มันจะเป็นยาได้ต้องหมยใช้กับตัวเราถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่มีประโยชน์ลูกน้มนี่เหมือนกับยารักษาโรคเป็นประตูอุปกรณ์ที่หมาใช้หายโรค ผู้ใช้รูปเช่นนามคือสติปัญญาก็ได้ประโยชน์จากมันกลุ่มค่านะผิดเป็นถูกได้ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนี่มีอะไรที่มันเกิดมากมายกิเลสปัน้าตัะหารอยแปด เราใช่เป็นสติปัญญาเรามีได้ปัญหาเป็นปัญญาสอบผานแลก็เราสอบได้ความรู้เรามีปัญหาเราจึงแก้ปัญหาได้จึงมีความรู้ได้ความรู้เพราะมีปัญหาได้ปัญญาเพราะมีปัญหา เาได้ปัญญาผู้ความหลงได้ปัญญาผู้ความโกรธได้ปัญญาผู้ความทุกข์ได้ปัญญาผู้ความเัวเจีบตายถ้าเรามาศึกษาก็้ามาเป็นทุกข์ทั้งหมดหนุบเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เาพัาจากของเราของชอบใจเป็นทุกข์ ความปรตนาสินงใดไม่ได้สินนั้นก็เป็นทุกข์คมไม่สบายกายคมไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความเฉยเป็นทุกข์ความเฉยเป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์จนที่สุดเลยชีวิตของเราท้านไปศึกษาโอ้จะหัวเราะโอ้จะลองห้โอ้จะดีใจโอยจะเสียใจ เป็นเจ้าบ้า น, เ, นเจ้าเรือนในรูปในนามมันก็อยู่ในโลกแบบนั้นตกโลกทับถมหนีไม่พน้นหลงที่ใดก็เป็นหลงทุกข์ที่ก็เป็นทุกข์โกรธที่ใดก็เป็นโกรธนีไม่พน้นถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่ปฏิบัติตามธรร ม, มไปสู่ความเกิดเจ็เจ็บตาย ตาเห็นรูปก็มีความพบชาติอยู่ที่นั่นมากไปเระจะัดกะายุ่ที่นน่นเกิดดับก็ดดับโอ้ที่ยิ้มเฉียงจะงกกด้กินเลิ้นแต่ลดกายสัมผัสทีใ่ใจคิดนึกต้วแต่ที่เกิดของอกุศลธรรมถ้าไม่มีสติ จึงว่าพระเจ้าจึงบอกว่าปฏิบัติไม่ผิดสามอยา่างอินทรีย์สังวนสามดวงอินทรีย์นี่แล้วก็มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนสัตว์ตกชนิดแต่ละอย่างก็ไปคนละทางแต่วิธีสํารวมจับสัตว์ตกชนิดนี้ได้คือมีสติ แต่ในกายเป็นประจำอินทีย์ตัวใหญ่คือสติอินทรีย์โดยเฉพาะกรรมฐานเป็นสติอิ น, รอ น, าานอทรีย์ดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันชิดนึกเมื่อดูกายมันอยู่นี่เห็นกายอยู่นีมันก็สมหวังตาลง เองสำรองหูจมูดิ้นง่งายใจลงเองมาลู่สึกตัวอินชีทั้งหมดก็ออดลงออดลงมาเป็นตัวอินชีสติอินชีตัวใหญ่นี่อ๋อชีวะสำรองอินชีทั้งหมดเมื่อสำรองอินชีทั้งหมดลงได้นี่นั่นก็คือการละความชัว่ทวทำความดี ปิดผริตสุดเป็นการรักษาศสินสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาไปเป็นตัวเฉลดในขราวเดียวกันนู้มันง่ายนะถ้าปฏิบัติถูกเหมือนกับก ร, ร ม, มือเดียวก ร, ร ม, มือเดียวเหมือนพระเจ้าสอนพะ น่าบบไปไม้ในป่า ก, กับไปบ้างกับมือเดียวอันไหนมากกว่ากันนั้นเปรียบเทียบกัไม่ได้แต่ันชีพนธกรรมแาตา่เรียนตามหนังสือก็หนังสือตัวบาลีก็สี่จุห้าเล่มภาษาไทยก็แปดสบเล่มมีแต่เื่มใหญ่ แต่ท่ากับจำมาหมดแต่ไม่ได้เรียนที่กายที่ใจเราหนังสือแปจิบเล่นออกมาจากกายจากใจเรานี่มีพระสงฆ์สมัยครับพุทธเจ้าเรียนจบหมดเรียกว่าอะไรละ่ะโอทิละเอออว่ทิละเรียนจบหมด เด่นปัตยพิฎกจบหมดแบบเมญชิพันธรรมขันนี่เป็นสูตรเพราะต่ยพระวิไนพิฎกพระวิธรรมพิฎกพระสูตรต้นต่อพิดกจบหมดทั้งสอมสูตรอรนี่ชูวงคูเพื่อนอยู่ในชุดตังเอกังเสือง ไปอยู่ที่ไหนกล่าวคํานี้ขึ้นมาเอวเมย์สุดตังเอ็กังเสียงพักวาวผู้เจ้าสอนอย่างนั้นผู้เจ้าสอนอย่างนี้หะทั้งหลายหมอบรอบข้าหลบนี้ไม่ใช่หมอบเพื่อรบหมอบเพื่หลบวิ่งหนีไม่อยากมาไม่แต่ขู่ไม่มีใครก็รบแล้ถือ นี่แต่อวดความรูอวดของมจำใหญ่มากต่พระพุทธเจ้าด้วเจ้าก็ทักตายภิกษุไปลานเปาาล่าเม่าเล่าลือแต่ท่านเจเอ็นเรียกว่าโพธิละเรียกว่าภิกษุไปลานเปล่าลาเล่าลือพระเจ้าก็ไปพูดอะไร บอกเว้ ล, กลากราบไปไวลาพิชูไปลานเป่าไปเล่าหรือกราบที่ใดมากราบเพืไม่ยกยก่องไม่แจกพิกชูไปลานเป่าพิกชูไปลานเป่าออมองตนเห็นว่าไปเมีค่าหลังทั้งที่จำพระใจไปโตก้ายตะบดไม่มีใครเขาลบนอกถึง เป็นอาจารย์ไม่เป็นลูกชิดใครเราคิดว่าเอ้เราก็ควรจะเป็นลูกชิดคนเดีงยวนี้เราตําตัวเป็นอาจารย์คนทั้งหมดน่าจะเป็นลูกชิดใครสะกคนหนึ่งจึงจะถูกต้องให้มีอาจารย์เราอีกสักคนหนึ่งไปกราบอาจารย์ที่ไหนให้สอนไม่มีใครสอนให้ ไม่มีใครกล้าอสอนจะไปหาเนรน้ยให้เนรน้ยเป็นอาจารย์เนรน้ยก็ก่าบลงวะผมก็เปสำเรียนจะสอนอาจารย์ได้ไงทำเนยก็สอนได้สอนนะสอนก็สอนให้าอาจารย์ลงไปในหนองน้าในสระในดูนี่สิ ลงไปทั้งผ้าสังขาผ้าจีวรหม่มลงไปนี่แหละต้องแก้ออกไม่ต้องเพื่องออกหม่มลงไปเลยเูชาก็ลงไปในน้ำน้าเพียงหัวเขา่าแค่นี้เอาไหมไม่พอน้าเพียงเอวเอาไหมเน้นยังไม่พอน้ำเพียงหน้า อ, อกพอหรือยังยังไม่พอ น้ำเพียงคอเอาหรื อ, อยังคอหรื อ, อยังหยาลุกไปอีกน้ำเพียงปากพูดไม่ออกก็อยู่ในท่านน้ำเพียงปากมีตตาเห็นเนนพูดไม่ออกเนนก็เรียกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขาเล่นอยู่กับเนนเนนก็เลย คุยขณะที่ผ้าที่เปียกนั้นว่าอาจารย์มีเฮี้ยตัวหนึ่งเข้ามาจอมปูจงจอมปูงมีหกลูจะขุดเฮี้ยตัวนั่นจะทำอย่างไงจึงจะจับเฮี้ยตัวนั่นได้โัวที่แล้วก็บอกว่าปิดห้าลูซะไวปิดไปห้าลู แล้วขุดตามรูที่หนึ่งเข้าไปก็จะจับเหี้ยได้อัจนรย์เลยบอกว่าจบแค่นี้อนสอนจบแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อะไรละ่ะปิดหนวกรู้นเลยกรรมฐานอะลรนี่สมุนวนทุกคนและ ตาก็สัมรวมหัวก็สัมรวมถูกดิ้นกายใจสัมรวมว่ารู้ที่สุดตัวรู้สุกตัวนี่แหละคือความคิดความทุกข์ความไหลเกิดขึ้นนี่จะได้เห็นหมดจับได้หมดความหลงก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความปวดก็เห็นจิตต์ตาก็เห็นเห็นแล้วรู้ทางนั้นเห็นแล้วรู้ท้งนั้นบอกทีละใดบรรลุธรรม ปฏิบัติลงไปอย่างไ้ไม่ใช่เปเรียนมาปฏิบัติเราลูบมันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อใจพิสดกดคือตัวนี้เราใช่ตาหูวจมูกดิน้นกายใจเวลาเห็นรูปฟังเสียงนอง้อมจิตปตะ ค, บตะคุบนั่นแต่คุบนี่บางทีไว้เป็นกรระฐานนั่งหลบตาเดินย่องยองสมรวมกาย รวมเอ็นซีคือดับปาค่อยไปค่อยมาชา ย, ย่างหนอห่อข่อยย่าวหนอแต่ไม่ชรวมตัวนี้เอ็นจะสติไม่มีมีแต่ไปว่าตนุอาจจะว่าเฉยๆไม่ใช่มีสติคำว่ารู้สึกตัวนี่คือมันไม่มีคาว่าคาพูดรู้สึกตัวรู้สึกตัวหนึ่ นี่เราสัมปะจากนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก่อนทุกคนรู้เองผิดก็รู้ถูกก็รู้เองเรือมันผิดท่านก็เห็นท่านก็เปลี่ยนผิดเป็นตัวรู้สิบตัวตามได้ทุกครัง้งทุกครัง้งที่มันผิดความผิดความถูกความหลงความรู้ต่างกันอย่างไรผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้เองเห็นเองไม่ต้องถามใคร ตอบเราเองได้ทุกชีวิตเป็นความเท็จคงจริงอย่างไรท่านพบเห็นเองท่านแก้อเอาเองพระเจ้าสอนให้คนแก้ไขตัวเองไม่ใช่คนอื่นแก้เห้ยพิจูต้องหล่อเตอจุมิสติตเตือนตัว เ, เอง แยกหายตัวเองมีสติทุกเมื่อพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เม้่อต่อนั่งอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่เราเนี่ยช่วยตัวเองจริงทําอันไดที่เป็นการช่วยตัวเองนั่นแหละคือทำคือสัจธรรมถ้าใครสอนให้พึ่งคนอื่นไม่ใช่สัจธรรม พึ่งอะไรที่เป็นเครื่องอื่นของอื่นให้มาช่วยไม่ใช่สัจธรรมทำอันใดที่เป็นตอนปฏิบัติให้พึ่งตนเองทําได้นั่นคือสัจธรรมไม่ใส่ใจแล้มันหลงเ ร, รูุ้จุดตัวอาใส่กรรมฐานช่วยรู้จึกตัวขึ้นมาเนี่มันเพียงพอมันมีกาลังได้กําลังจาก สิ่งที่ผิดมาเป็นสิ่งที่ถูกชิงผิดสนุนนี่เป็นสิ่งที่ถูกขึ้นถูกขึ้นเหมือนเราออกกําลังได้กําลังได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ดีได้กําลังจากความเหนื่อยเมื่อยลาการโยกแขนคู่แขนเข้าขเหยเฉนหน อ, อกเนะีมันบริหารส่วนเนี่ยส่วนหน้าอกต้นคอหัวใจ มาได้กาลังต้องเชี่ยมแข็งฝึกไปอะไรอาจจะหนักฝึกไปพึกไปเบาเดินจงกรมเนี่ยจะเบาตบไปจะเบาบางคนเดินไม่ค่อยได้ตบอ ป, ปอะตาไปมหัดเดินจงกรมว่าจะเดินได้เพดัะนั้นอย่าเกียจกานให้เคลื่อนไหวหา ย, ายเพื่อฝึ ก, กจิตใจของตอนเองมีกําลังกลวงมรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้น อมือทีหนึ่งลูท่ทีหนึ่งสิบสี่จังหวะสิบสี่ลู่เจอแล้วมีนาที เ, เันเข้มแข็งในความรูม้มาขึ้นมาขึ้นเป็นมหาลู่เมื่อเป็นมหาลูกก่ก็ความลงก็น้อยลงหรือหมดไปตายเดี๋ยนี้มันเป็นน้อยก่อตัวขึ้นมาสิบสีจังหวะนี้ยขยันขยันลูน่ในว่าภาวนา อเชิญบริกรรมพุทโตสมานะหัอันนั้นเป็นบริกรรมภาวนาคือขยันรู้สึกตัวหนึ่งกรรมฐานคือที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดกรรมฐานให้เกิดภาวนาให้เกความรู้จึกตัวหนี่งมีที่ตั้งเพื่อเกิดความรู้ตัวตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้โอ้ยมันเพียงพอไม่ต้องจนเลยพวกเราวิชากรรมฐานนี่อาใชวิต ท, ทั้งหมดเป็นกรรมฐาน อ๋อแล้วก็เป็นกรรมฐานหมดออำสอนพระเจ้าเนี่ยเพื่อเราจริงจริงไม่ใช่เพื่ออนันอื่นนะโน้มมาใช้เราได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยน้มมาตื่นขึ้นมาคิดทึงได้ก็คิดถึงกรรมฐาน ใช้ชีวิตเป็นกรรฐานนังหมดลำดับลำนำอาจํานี้ชำนานขึ้นมาเองนะแล้วก็แบบนี้เป็นเพื่อนกันเอาสงควรใจเวลาแนละ้วก็ผาซ่องกัน